ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปบวชให้กุมารีอายุครบ20ปีแต่ยังไม่ได้ศึกษาศิกขาในธรรมหข้อตลอดสองปีในศิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ บรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสสมุดฐานละ